ความรู้สึกของพระท่านเกลียบเหมือนแม่เนื้อระวังนายพานหรือสาร้ายมี่สือวเป็นต้นจะหาจุอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในเรอบกต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความ้ะมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอ แม้เช่นนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือในลผ่านดินเราได้นักปฏิบัติเหล่าเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนใก ล, ล้เคลึงกับ แม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่และเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลา จำต้องใช้ความพยายามความน้อมัดระวังมิตลอดเวลาจึนจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการน้อมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธทเจ้าและสาวกท่าน แล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเกียนและความดุพ้นจากวิเลกประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหดุพ้นไปโดยโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุ น, นี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่าน และโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมกืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจา้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านที่เป็นคติตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอ ความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกแต่ตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัดสู่ธรรมเพื่ออัดเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมาก เมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องได้ถูถ่ยต้องได้บังคับบัญชากันอยู่ทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบทต่างๆแม้ที่สุดไปบินท้าบาทท่านที่ท่ากล่าวไว้ว่าบินท้าบาทเป็นมรดกหมายความว่าอย่างไร ก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการน้ำมัตระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วแล้วกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอดของทำจะเฉพาะจางยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอ ไม่สนใจกับอะไรเดินบินถบาทก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลาดัใสเขาใส่บาตรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประความประความความเพียรไปโดยลำดับลาดาไม่ขาดวักขาดตอนนี่คืองาน ของพระที่เรียกว่าบินธบัตเป็นวดัดหรือบินธบัตเป็นอิตวัดของเราเป็นอย่างนี้การบินธบัตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและภาษาวกท่านหลังเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็าตาม ตินดยโลกโพชนังนิสาจะปปะชาตัทธะโบยาวชิวังอุซาโหกังอยู่ก็ปเป็นปิกิจตประจําองค์ประจําตัวของพระคือบินทบาทมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเกี่ยงไปและให้ทําความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระ เวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคอาจะได้ประนีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมต่ไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆหรือิขิตต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของกิเล็กซึ่งมีความหิวโหยหาความอิ่มพอไม่ได้ไปด้วยความปวดแผงของจิตไปด้วยความหิวโหยของจิต ไม่ใช่กิจวัตรของพระผู้จะฆ่ากิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียการเดินไปบิณฑบาตจะมีกี่รูปกี่องค์ก็ต่างต่างองค์ต่างรักษาจิตของตนไปโดยลำดับลำดาไม่พูดไม่คุยเรื่องอะไรกับผู้ใดทั้งนั้นเป็นจิตจำเป็นของตัวโดยเฉพาะเฉพาะ ทั้งไปทั้งกัดเนี่ยหลักประเพณีของท่านบิณฑบาต ท, ทั้งเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าบินบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบชันหรือได้อาหารมาก็คุณพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกัน ไดอ้อาหารประเภทใดที่ไม่ขาดต่อหลักธรรมหลักพินัยแล้วและธาตุขันไม่แสลงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่บกเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบาย ดูคิตาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจรารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนุนอู่ตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาตักเข้ามารวมกันในบาตแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิลำดับ เพืจะตัดความโลภโลเลนอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิเกินหนาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไป กูเขครากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วคือลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูแลวไม่ว่ากลิน่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆ กลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดตอนนีพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้ว เมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเดินตามกันหมดเจ้าเพชรนิงกินดาให้ธาตุขันนี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี่จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ กี่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสาคัญเช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเมื่อพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันฉันไปจะพิจารณาอาหารนี้ไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทํางานอันใดที่เป็นอัดเป็นธรรมซึ่งเคยเลยปฏิบัติมา อยแล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาปไม่ให้เธอให้มองที่นุ่นที่หนีเวลาขบเวลาฉันก็ไม่ให้เธอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรม ท่านถึงสอนให้สงรวงลงไปนี้ปตสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในบาตรให้เสยเยวัตท่านก็บอกแล้วปฏาสัญญีปินดาปาตังทำความสำคัญอยู่ในบาตรอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกขัดจนได้จนทำนี้ทำนานนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัย ในขณะที่ฉันไม่ค่อยเด็ดเธอได้มองนุ่นด้วยความไม่มีสตินะมันจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นมันเริ้นจนกลายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอก ม, นมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนั่นนาะลิ้นมือล อ, อยไปอย่างนั้น ไม่เป็นในเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการกบฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักปฏิบัติงานของค้าจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงาน ทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ไดก้าเข้าสู่ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่า ง, งานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิด ก, กันกับงานของพระซึ่งทําด้วยความมีสติความละเอียดละอออยู่มากนอกจากเราจะ ต่อยให้กิเดสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำพ้องเราเสียมันก็ไม่ผิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทําแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขาแล้วอยู่ด้วยการมีจานวนมาก อย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจิตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทําให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปโยกโทษโยกกรกำนนัะ้องค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นกอดรบารไปจู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทางโน้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ไง่ายง่าเมื่อมองกันด้วยแง่งความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองเรื่องความเมตตาสงสาร หรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกอย่างนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเลยในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความงุหนิจความไม่พอใจอย่างนี้ ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของยุติธรรมติปัญญาต้องตามต้อนทันทีหักมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่ อ, อเพื่อทําด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรม อยู่ด้วยกันเท่าไหร่อยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นพุเพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อทำไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลส อ, องนั้นก็มีหัวใจ อ, องนี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้ากาเห็นใจทุกรูปทุกนาว่ามีคุณค่าอะไรัน ยึงต้องรับร้ามากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี่องหนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองหนึ่ ง, งนี่องหนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจํานวนดังที่อยู่ด้วยกันนี่ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาทีน ให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายได้หลา ย, ลลายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสตราี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศ า, า, าสตราเพราะศาสตราเป็นจอมแห่งความเพียรไม่ว่าในแง่นใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลก ไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้หละทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาหพยายามทุกแน่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำที่จะอย่างพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่าง อดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้แต่ เ, เราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธการอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันกด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้น เพราะนั่นก็ดีนี่ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดีบวกกันเข้าค้าเ้าวกันเข้ามีแต่ของดีจะเสียไปที่ตรงไหนนอกจากมีสินไม่ดีเข้าไปทําลายแค่เพียงลายหนึ่งเท่านั้นก็กระเทือนกันทั้งวัดเราจะว่าถึงสี่ร้อยห้าร้อยองค์เลยเพียงสององค์เท่านั้นก็ทะเลาะ ก, กันได้ถ้าใจไม่ไดเป็นธรรมนี่หลักแห่งการอยู่ร่วมกันก็เป็นความจําเป็นอันหนึ่ง เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้ <oples> อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสาเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นธรรมที่กล่าวทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้ au au ทงหลายเกิดความทะเลาะเแวงกันขึ้นมากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอ ไม่ว่าคั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทางนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนําตักเตือนสั่งสอนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้เพราะแบบพ่อหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนาราบมาแต่และองค์องค์ราบด้วยเจตนาที่จะแนะนําสั่งสอนให้ เต็มสติกําลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้นั้นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจำต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาพเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึ่งกันและกัน การอยู ot, force, movement, healing, no have, ่ด้วยกันเป็นความสงบสุการประกอบประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีนามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันนี่ที่เรียกว่าปุคะรสปายะเพื่อนฝูงนะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายนานั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราไหมก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกว่าปุคะรสปายะก็เพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบาย ต่างองค์ก็ต่างมีอัดมีทางทำต่อทำเข้ากันได้สนิทแต่ทำกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นค่าสิทธิกันทันทียาได้นํามาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อเราและเป็นค่าสิทธิต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความภาคเปลี่ยนและระมัดระวังเสมอ การทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิผ่อนหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุข ก, ก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่งานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจำต้องใช้ความพินิพลงาน คด้ออนุมัตระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกซึ่งหามไม้หามเสาแบบนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบกที่หามมานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบกผู้หามมานั้นมีความหนัก เพาะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นนันแบกมีอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียร น, นี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพิจิตพิจารณาความพยายามอยู่เสมอผูกตั้งใจปฏิพฤติตปฏิบตัติเพื่อความหลุดพ้นก็เจตนาให้ฝังลึกอยากเป็นโยกโย ก, โยกคลอน ให้ไหมได้แบบคอนแทนคอนแทนไหมหมีความปีงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับกับเรื่องใดทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตรเรื่องบุคคลหญิงชายห น, หน้าที่การงานอะไรยานําเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทําลายงานของเราที่กำลังทํำนั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจตรงถือ ง, งานที่ทํานั้นเป็นงานสําคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั่นมันเป็นคําพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตําหนิตัวเหตุอันสําคัญมีอยู่ภายในใจ ตัวนี้แลเป็นผู้แยบออกไปเรื่องนั่นปรุงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแสงั้งทั้งที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กาลังทางานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติ แล้วปปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟัง <c oughs> เคยสัมผัสสัมพั์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ที่ปรุงอยู่นี่แหละในขณะที่จิตเถอ งานของตนที่ทํานั้นเถื่อเวลานั้นขิดก็แยกออกไปปุ่มไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมาปวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันทะเลทลายออกไปในขณะที่กําลังบังคับให้ทํางานอยูนั้นแต่สติผู้บังคับได้เถลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปถกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเอง นี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งคารความบึกพ้นจริงจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียร น, นี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอยายมพันตาเพราะาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพานานานไปเพียงไรก็าตาม ขอให้ถือหลักความจรินเป็นที่เป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทัง้งหลายท่านสอนไม่ว่าอย่างไรนะท่วาสวุวขาตธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบนะักฟังทีมีที่พานที่ตรงไหนชอบต่อ ความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดพาเพื่อนไปไหนพระองค์จะปอิีทานนานเพียงไรก็ต่างหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนอาตะถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็ ก็คือาศาสนาธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไระเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกมีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจงมีอยู่ภายในกายในใจของเหล่านี้ นี่เป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกคล่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลสได้ แ, แก่กามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาเป็นต้นดูที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเหล่านี้นี่นี่แหละสัตจะธรรมคือความจริงเนี่เป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้ และาศาสนาธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าแสดงขี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกๆรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่าง มีการวัฏานวัฏฏาวิภพวัฏหาเป็นตน้นดับชนิดลงไปมีโรดปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเป็นเรื่องให้ดับทำให้ดับเพราะมากนั่นมากคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสติ ้ถ้าจะพูดไปให้สุดในองแปดก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสมาสมาธินั่นอยู่ที่ไหนน่มากก็อยู่ที่ใจการกระทาก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปปะหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมผมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่กายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละนีสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาังกัปปสมัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทําการงานชอบทําอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสําคัญแห่ง น, นานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่ง ทำความเพียนพนรภาใจก็อาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เขาใจของเราเป็นผู้คิดผู้คนเนี่อยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสมาอ า, อาชีโวเมันอยู่นี่นี่ทั้งนั้นเป็นผู้จะทําไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทําสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบัน สิ่งที่กล่าวมากล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตัง้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนาํามาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสีเพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสีตู้แห่งสัจธรรมทั้งสีมีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนนําังพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่นั้นให ใช้ความพิจนาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบินยาโลปะโพเทนังบินถมาสมาฉันโดยน้ำพักน้ำแดงด้วยกำลังปีแช่งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสม นี่อันหนึง่งเลี้ยงจีบชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ก็อาการนี้เนี่ยไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงจีบชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชาลดแก่จิตอยู่แล้วในมาแปดนี้สัมมาวายโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออเยสัตสีนี้นี่ หรือเพียรอยู่ในสมมาประธานสนี่นั่นสมมาสติรละลึกชอบระลึก อ, อยู่ในกายในจิตนี้ระลึก อ, อยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่ห น, หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในปเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สมมาสมาธิ มีความสงบสบายสมาสติสมา ส, สมาธินี่แหละท่านบมามาัดอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยไปตามพระศรีรักษของพระพุทธเจ้าแล้วหรือการมาปรินิพพานั้นหมายถึงพระศรีรักของพระพุทธเจ้าสลายเหจากส่วนผสมลงไปเท่านั้น หลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่กิจของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสน า, า, าประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สดสดร้อนร้อนเพราะเป็นสวนัสธรรมตับได้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเหล่านี้ แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระวุปัชฌาย์เองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนเราตถาคตท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่ละ่ะกายใจของเราเป็นปัจจุบันอายศาสตร์คือทุกขสมุทัยนิโรธมากเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักหลักสัจธรรม ประธานโต้วาสก็ประธานลงที่นี่นี่เรื่องรวยไปไหนเวลานี่มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงลอยไปแล้วที่จะทํางานทําไม่ได้แล้วนี่เราทําได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละาากิวมาร์กมี่สมาสมาริิติสมมาสิงคโปร์เป็นต้นสมมาร์สมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราปรามกิเลสทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรที่กล่าวมิไปได้เลยมีสดสดร้อนๆอยู่มิใช่หรือคนขึ้นขึ้นมาสิคนขึนคนค้นมาใช้สิปัญญาพินิปิญญากายกรองดูตามหลักความกรินยาฝืนความจรินความฝืนความจินนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจินคือธรรมไม่ปรากฏภายในตัว เอาตั้งแต่ความรุ่งรอนขึ้นมาเพราะความเสกสรรตั้งยอในสิ่งที่จองปองทั้งหลายนั่นเอายาพิษเข้ามาเผาโรง จ, จิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพิิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลอกาศนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความปิ่งของหมันทําไมจะไม่เห็นอดูลงไปที่ตั้งแต่ บ, บนทิศะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอาดมีตรงไหนไมะา รักใคร่ชอบใจมีเออตรงไหนที่เป็นสิ่งที่อาจจะประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิคูณโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำยัดกำหนักยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เ, เรื่องที่น่ารักน่าชังว่า เป็นของสวยสวยงามซึ่งเป็นของจำเป็มนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่อย่างทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่นี่สถานที่พิจารณาพิจารณาที่ตรงนี้ถ้าเห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้พระพุทธเจา้าจึงเหมือนไม่ได้ประนีพระนไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสน า, าที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริง ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราปรามสิ่งที่ปกคุมมุ่งห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธะนั้นเป็นชั้นใดพุทธะนี้จะแปลกรอมไปไหนนี่ที่ว่าตรงกันตรงกันเป็นปัจจุบันในตลอดเวลา อยู่ภายในจิตใจอย่างให้พิจารณาที่ตรงนี้ยานี้จากหลักความจริงคือธรรมยเริเลศเคยฉุดเคยลากออกมากี่พบกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลากอยู่เหลือทำเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหลมลึกทําไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจยิเดชเครื่องหลอกลวงจาปลอ ม, อมและฉุดลากไปกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การซึ่งเต็มไปด้วยความหาหามทุก์ไปด้วยกันทั้งนั้นทําไมจึงไม่เข็ดไม่หลับ สติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วได้ผลในประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเคียงช่างความหนักเบาเลือกตื่นอย่าละเอียดความจริงความปลอมของกันละกันคุณนโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่หละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอบโลงไป มันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลากาท่านที่เรียกท่านเรียวว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ตั้งแห่งงานนี้เป็นเป็นงานที่จะถอดถอนกองทุกทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจาก หลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้อันนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐานห้าคือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุรบุตผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนากักก็สอนเกษารมาณาคาสันตาตาโจไปถึงหนังแล้วมันห่มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมาก โลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าท้าหลอกหนังเอาหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั้นแหละเป็นเครื่องหลอกระดับหน้าล้านข้างในมีอะไร ม, มูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ดึกซึง้งจะเห็นความจริงเป็นลาดับลาดาไปจิตนี้จะถูก กิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเธอเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนได้ก็ดีบถึงถึงขึ้นมาเลยเไม่ต้องสงสยัยเดชขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยนี่แหละงานของพระงานนี้เป็นงานสาคัญมากเพราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหมอนคุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันู่เลอของจริงมีอยู่ทำไมไม่หยุดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมปฏิติดมันหาอะไรพิจารณาคุ้ยเขี่ยขุดคน้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางขาบัญชาพิจารณาจิต ลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยิเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาะมากต่อมากแล้วแล้วก็หากองทุกข์เขามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี้มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้ หลายครั้งหลหยงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล่มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไ ป, งไปโดยลําดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงอาระที่นี่นานจะเรียกว่าได้การกว่าท่านที่นี่ เ, เห็นร่องรอยละทีนี้่จิตใจจะสว่างสวยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะหน้าของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมา คนที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีิติดกับสิ่งจำวอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนถึงขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบทราผสมภาราที่นหนักหนักอยู่บนบาบหลังจะหกักบาจะฉี่พอทิ้งตุมลงไปแล้วทาไมตัวจะไม่ดีดจะไม่ลอยขึ้นมา จะไม่สบายนี่การพิจารณานี้เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริง น, นักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสประจากใจถ้าลงได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้ว เห็นคุณค่าของธรรมเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจอมปลอมๆของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลจุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเดี๋ยวเนี่ยความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจ ความมันคุณอย่างถึงใจความเพียนหมุนตัวไปเองสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียนหมุนไปตามสติปรรัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษแงุเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพินเทลินทางธรรมผิดกับเพินทางโลก เทินทางทรเ ท, ท, ท, ทินปเด็กความเบาความบางความสว่างสวยัยความสุขความสบายเ ท, ทินเรื่องของกิเลสเทินเท่าไรทำให้จมลงไปจมลงไปนี่ผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกข์บีบบังคับเหมือนเดแล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้ว แต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแมงไม่เคยเป็นแต่จงยึดศาสดางองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชนาะซึ่งรถทั้งปวงนะฟังเีแพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิด ม, มากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จินสลัดตัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทกถึงพระไทยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกัวกบระหว่างธรรมกับพระไทยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไร รสแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงปล่อยรถของกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงจัดโลกนี้อีกด้วย <c oughs> พระองค์ทรงทราบได้ไหม <c oughs> เนีย่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอกได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างยางถึงใจแล้วนํามาสั่งสอนโลก <c oughs> เราเป็นลูกศิษย์มีครู สิ่งเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธทางสนางคะฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนางคะฉามิร่วนได้แต่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดําเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภักเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอย่าดลละท้อถอย้เห็นความจริงดังที่ศาสนาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทาย ทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เอง <c oughs> เห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหนักธรรมที่ทรงสั่งสอนในแล้วนี้จะไม่เป็นอื่นอย่าทำจิตใจให้จิตจีตจางจางว่างว่างเปล่ปาเล่าไปเบื่อคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้ จิตใจมีรถมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจำใจคอยะฟังกิเลดมันกระซิบด เ, ดเดินจงกรมนั่งสมติภาว น, นาไนยบทใดท่าใดก็าตามนี่เนี่ยจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิงเลสจนกระทั่งกิเล่มันพังทลายไปหมด ความนาาของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันติโกเต็มภูหรือปัจจังเวทิตโบวิงอยู่เต็มภูไม่มีอะไรมาเกาะมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมาควนภาน จ, จิตใจซึ่งแต่ก่อนอยู่ใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะ ดิด่ดนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งไมาได้ถูกมันตจีจมลงไปโจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่คับกี่กันมาแล้วที่น่ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้เป็นยังไงอะไรจะมาควรใจอีก <c oughs> มีไหมไม่มีเอยาบททั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุ้วยขันด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่ง ม, มาควรใจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุม่มัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอื่นเลยพราะกีเรตมันสิ้นซากลงไปแล้ว เป็นอกุปปาธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทที่เด็กตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่แนจนหาอะไรพูดไมาได้นอกจากแบบประมังสุขขังเท่านั้นพอคลองธาตุขันก็คลองไปยมีอะไรก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดเท่ากันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นภาระาาเว ปัญจคันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่และใช่พาราเวปัญจคันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันจากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่า น, านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่า น, านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทน ไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้อซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังจะทังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้เยียวยาด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนการเปลี่ยนเอียบบทผลสุดท้ายก็ไปไม่รอกก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลาโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้ว นันท่านะอนุปาทิเสสนิพานหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันอยู่นั่นขันสมมุติยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบเป็นกานณ์ดูจึงเรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพานถึงนิพานแล้วแต่ยังมีสมมุติเกี่ยวปอนอยู่คือขันเป็นต้นนี่อนุปาฏิเสสนิพาน ปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในขานนี้หมดความรับผิดชอบขันสลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลาอยู่หมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนะ่หมดความรับผิดชอบนั่นท่านสนิทเองนี่ผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวาย จากความหนักหน่วงทวงใจในความภาคเปลี่ยนทั้งหลายจากการต่อสู้คับกิริยะซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความปิณิเพณาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งยาให้เวลาเวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใดนอกจากเสียเวลาเวลาไปกับการประกอบความเปลี่ยนเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่จะสลัดผัดทิ้งทุกทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจ ทั้งๆ ท, ที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นในชัดๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาทำมาทิตตัดไว้ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศรราสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบาเพ็ญบอกไหว้หมดตนกระทั่งถึงยมุดหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัย มีบกพร่องตรงไหนชาตินาถทำเวลานี้ไม่บกพร่องชาติธรรมทั้งสี่ก็มีอยู่ภายนกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัตย์สติปัญญาศรัทธาความเพียรเรายัางอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกําลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็ กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดาๆๆๆๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพวดขึ้นหมดอวิชชาปัิญาสร้างขาราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทาหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้นําว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะ ท่ะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสต่อเพศต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านะของกิเไลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปนแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่ยมเพราเป็นสมมติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากดช้ก็มาใชา้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปแต่เวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุด ลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นออปัญญาก็นํามาใช้ตามการแต่วเวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสตัณหาอศาสวะประเทศใเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไป ล, ลุดนลอยจากใจไปเั่านันะ้นทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดปทำไมท่านแน่ของท่านแล้ว เต็มตัวแล้วสติก็คือสมมูิขาดสติก็มีสมก็คือสมมูิมีสติก็คือสมมูิท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิถ้าไทายเราอยู่นั่นแหละในสัจธรรมทั้งสีน่นี่ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พุทธเจ้าทรงทังสอนเราทําไม่ได้ใครจะทําได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลแล้วถ้าไม่งอมือกอเท้าอยู่เฉยผู้ชมมากสมผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการชมมากสมผลถ้าเราเท่านั้นนอา น, นั่นเขากระเดินตามหลังแต่ว่าาสนาเรายอมรับว่า ว่าจะนาไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าพระเป็นได้โดยกันอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบกิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆเราจรึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจเป็นพิจานาเต็มสติกําลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมุตินิยมเพล้วมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกว้านออกมา ไม่มีอะไรไปกว่าอนมาแหละทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำโดนไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั่นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นละมันไปเที่ยวเสกเที่ยวสันตันยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความความโลภมันกำังมากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันกระเาด้วยกันความความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในแล้วสงเสัยได้อะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียได้อะไร น้ำลมฝ่ายเสด็จอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าตวิเศษโลกนี้เกิดมากับสิ่งเหล่านี้อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดและแม่ทศเดชฉันไม้ ว, ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจําตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันควรจะวิเศษทั้งหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีอทำโมปรีโปนานคิดดวงนี้แหละใน้กรกรอง สำหรับปอกกันให้หมดถึงในที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดเอาหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละโลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงกิจที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศลเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไมน่มีวันหมดวันสิน้นอากาลิกีกวอากาลิีกกิจอากาลดีกธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละเอาให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพนิชปิจนา ยาอืดอาบเนยนายให้เห็นนะอืประกอบความผ่าเปลี่ยนมีเกี่ยวข้องอะไรกับลมสลากับทุลน้าที่ะละให้ทําแล้วให้นี่ไปประกอบความผ่าเปลี่ยนแม่มาประกอบการงานอตอน่างสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่านักครคอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่จ้องถึงที่เหล็กเหยียบเอาเหยียบอยยบอกดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอพิจิเพียงตอนนี้